เขาเขาต้องการครูต้องการบาต้องการผู้เตชิยมสอนเขาให้เป็นพวกกิตวิญญาณพวกกายทิพย์ที่ดีพวกนี้ต้องหาครูหาบาเตชเช่นเดียวกันนะถ้าเขาไม่สามารถมีครูมีบาได้หรือไปเจอครูบาอาจารย์ที่ไม่ดีเขาก็ตกนรกพวกกายทิพย์นี่พวกเทวบุตรเทวาดาลตลอดพรมโลกนะถ้าเขามีครูบาอาจารย์ไม่ดีเขาก็ต้องตกนรกเตชเช่นเดียวกันพวกวิญญาณดีกำลังเลี่ยล่อนอยู่แต่ไม่มีอื ผูบาอาจารย์ที่ดีที่เสี่อมสอนเขาได้ก็ไปกับผูบาอาจารย์ที่ไม่ดีก็ตกนรกเจ็ดเช่นเดียวกันนั่นมันก็อันตารายสําหรับตัวเขาเขาก็จะแบ่งหาผูบาอาจารย์มั่นกับพวกเรานี่พวกเราไปเจอผูบาอาจารย์ดีก็ช้าทุก็ได้ดีไปแต่พวกเราไปเจอผูบาอาจารย์ที่ไม่ดีก็ได้เร็วไปนั่นก็เหมือนกันพกภูมติต่างๆในภพทั้งสามถือเป็นญาตกันการยุติเกินย้ายิพวกภูมิไม่ต่า ง, ก, างาากั น, ก ค, น, กมมกนคือต้องอยู่ตามกรรมไปตามกันจยุติเกินย้ายตามกรรม ไปดีหรือไม่ดีครบคนดีหรือครบคนไม่ดีมนุษย์พวกวิญญาณก็ครบวิญญาณดีหรือวิญญาณไม่ดีนี่พวกวิญญาณเทวดาก็คบเทวดาดีหรือเทวดาไม่ดีพวกผมพบครบพวกผมดีหรือไม่ดีนูน่นไปนู่นนะปัจจุบนนี้ก็ต้องตกนรกอยู่เราก็เจอกันที่นรกเจอกันก็จากัน ไ, ไม่ได้เราก็ต่างก้นต่างเกิดต่างก้นต่างตายนอกจากนั่นน่ะที่เป็นเป็นนรกขุมนั้นน่ะ ที่ไปไปเจอกันอยู่นะไม่เจอกันอยู่ไปเจอกันผัวอะไรนะผัวเล่นผัเล่นไก่ตีเมียเป็นคนให้น้ําไก่นี่ยไปตกน้ลุกด้วยกันแต่กงตีกันได้เนี่อืี่เอากันอย่างนั้นแหละก็เป็นพอชักพักเขากายร่างเป็นไก่ทั้งสองตีกันจนตายตายแล้วก็ฟื้นมาใหม่อีกนั่นเอางั้นนั่ะมันก็เป็นเขามันอยู่มันก็ไปเจอกันอยู่แต่ก็รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรอยู่แต่เมื่อกลับนะก็ ก็รู้ว่ามันทุกข์ทรมานอยู่แต่ก็ต้องอยู่ตามกรรนั่นนั่ะแต่เขานานนะยิบไปเจอกันที่จะเห็นกันจํากันได้สมัยมาก็จํากันไม่ได้เพราะต่างคนต่างไปแล้วนั่นนู่นแต่ว่าโลกวิญญาณนี่จํากันได้อยู่ถ้าโลกในนรกแล้วจากันยากอยู่เพราะต่างรับทุกอย่างเดียวไงไม่สามารถที่จะเจอกันได้ที่เจอกันได้ก็เป็นนรกเป็นบริวารเป็นุมหลุมที่พักผ่อนพอได้พอเยี่ยมพอประการได้นี่พอเจอกันได้ วิญญาณนี่รู้จักกันอยู่นั่นนี่พอตายไปแล้วดิเหมอเรามารับควกองบังคุลนี่นี่ก็เอานี่ให้ตัวนี้ก็ให้้จำกันได้นี่เอานี่แม่เราเอานี่พอ่อเราเอานี่ญาตเราจำกันได้อยู่นั่นแต่ว่าอยู่ในในรกนี่จาก็ไม่ได้หรอกต่างไปก็ต่างทรมานอยู่นั่นนี่เหมือนกับแม่ของหลวงปู่จันาทาถาวัลูนี่ทุกทรมานอยู่ในรกได้ยินแต่เสียงกัน แล้นรกมืดโลกกันตานรกมันอยู่ในจักรวาลในโรกนี้อยู่ในตรงกลึ่งจักรวาลนะนรกมืดนี่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในนรกกลุ่มที่ไล่กันไปจากมหาเวจีไล่ขึ้นมาอยู่ตรงกึ่งกลางคือโลกกันตานรกนรกกลุ่มนี้แม่ของลุงปุนทาธาวโรพุทธเถรตกยี่สิบห้าปีลุงปุญญนทาจึงสามารถช่วยแม่ได้ เป็นไปตกนรกนรกมียี่สิบห้าปีเพันว่าไอ้ได้สัมผัสกันอยู่เสียงก็รู้ก็ร้องง่ายก็คิดถึงกันอยู่นะทุกทรมานด้วยกันทุกทรมานอยู่ในนรกนั้นไม่เห็นหน้ากันหรอกแต่ว่าได้ได้ได้เจ๊ะ ไ, ไ, ไ, ไ, ไ, ไ, ได้ต้องกันอยู่อเสียงร้องไห้โหยหวนอยู่ในนรกนั้นเพราะ ม, มันหาความสุขไม่ได้นันมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวพันว่าพอ พ่ยายนี้ไหแม่ของหลวงปู่จันตาเท้าโรจะออกมานี่ร้องไห้ร้องไห้คิดถึงกันอยู่นะเพื่นว่าแต่พวกนั้นไม่สามารถมาได้ทีนี้ก็ร้องไห้จะนี้ออกมาได้เปิดประตูเหล็กว่าประตูเล็กใหญ่ใหญ่หญเสียงประตูลั่นสั่นเตือนหมดว่าออกมาออกมาม า, มามามาได้มาได้ตนเดียวคิดถึงบ้านก็เลยมาเกิดกับหลานยังไง น, นี่เห็นไหมล่ะมันจะไปงั้นนะ เดีบุญกุศลของแกมีอยู่เพราะว่าบุญกุศลตอนนั้นลูกชายผู้บวชเป็นพระสุปฏิพันโนหลงปูจยันดาท้าวโลได้ทําเพียรให้เดินยังกรมนั่งภาวนาสวดมนต์บ้าพระเมื่อไหรก็แผ่ให้กับพ่อแม่แผ่ให้แม่แม่อยู่ที่ไหนนรกขุมไหนเขจนได้รับผลบุญกุศลที่ลูกอุทิศให้นะนะที่ไหนก็ตามนระกขุมไหนก็ตามที่พอรู้พอทราบ กของพวกกายที่พอมีสติมีปัญญาพอรู้พอทราบกิจวิญญาณดวงนี้อยู่ไหนก็อบอกข่าวแจ้งข่าวให้ทราบด้วยถ้าตกนรกก็ขอให้ทราบด้วยนะเพื่งรับความคุณความกุศลเพิ่งก็ให้ตลอดเลยทําบัดเย็นนี่ทํำนา น, นี่นลวงปู่ยันทานทําพระเชา้าพ้นไม่ก็ได้ทํากันว่าแม่ก็เลยมาตอบว่าว่าถ้าลูกทำํำพัดเจ้าแม่จะมีโอกาสขึ้นนรกได้ไวกว่า น, นี้อยู่นี่การทําวระเจ้าทาบัดเดียนนี่แหละ เราพิานาเนี่นอยองค์ลูกกุจแจทาบารูดทําไมต้องเน้นเรื่องการทำบัตรทำบเจ้าทำบัตริ จ, จนแล้วทำไมต้องเน้นเรื่องการแผ่เมตตานี่คือญาติของพวกเราที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ใน น, นรกกลุ่มไหนก็ตามหรือในจักรวาลไหนก็ตามก็ต้องรับเชื่อแห่งกองบุญวามกุศลอย่างแน่นอนทุกต้องอยู่ไม่มีใครที่จะอยากจะตกลงกรรมลําบากไม่มีใครที่อยากทำชัว่วแต่มันก็อยู่อย่างนั้นเขไม่ทราบพอเกิดมาแล้วก็ สถานการณ์บางทีมันบังคับไม่อยากจะทําชั่วก็ต้องทําชั่วหรือในบางครั้งไม่ทราบว่าการทําดีเป็นแบบไหนก็อยู่ตามโลกตามสงสารก็อยู่อย่างนั้นนแล้วก็ไม่ทราบว่าความชั่วเป็นแบบไหนอยู่อย่างนั้นความชั่วเกิดขึ้นเนื่องด้วยหลักธรรมหลักวินัยเลาเตัวนั้นเป็นเครื่องวัดความชั่วมันนอกธรรมนอกวินัยนั่นแต่เราเราอยากจะรู้ความชั่วเราก็เอาหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องวัดตัวนั้นไปเลยอยู่มัดนี่นน่นนั่นโดยเฉพาะ เราพื้ปฏิบัติตามนั้นตอนนี้จิตใจของพวกเราก็เปลี่ยนใหม่รู้สึกว่ามันมีความเขาเรียกว่าสว่างสวยัยมีความอิบอิ่มในทางที่ได้ประพฤติปฏิบัติเมื่ออิ่มเหมือนก็อิ่มอาหารนี่เนะมื่อมีปีติคลองอยู่เมื่อมีการอิ่มกลองบุญความบุญศแล้วนี่แหละที่หลวงปู่เจนตาตาหลวงเอาความอิ่มตัวนี้เนะี่ยเพราะตัวกินอิ่มแล้ว อิ่มแล้วดึงควาบุญความกุศลก็เอาสิ่งที่เหลือนั้นคําว่าเหลือนี้หลวงปู่ใช้คําสมบูรณ์ให้ทราินะเพราะการตั้งจิตตั้งใจเพืปฏิบัติคุณงามความดีนีถือว่าอิ่มแล้วไงแล้วถึงที่เหลือจากนั้นก็แผ่ความบุญความกุศลมันกับเราไปสร้างหลงทานอย่างนี้นะให้กับสรรพเจะตั้งหลายที่เป็นญาติทั้งหมดในใต้โลกธาตุแต่เพื่อเจตนาแม่เพลินเลย แม่อยู่ไนในในโลกภมไหนก็ตามหรืออยู่ในภพภูมิใดก็ตามที่ตกทุกข์ได้ยากตกและกัมลำบากพึงรับกระแสแห่งบุญของลูกด้วยเพิ่งขึ้นเลยนะอืโดยอํานาจสทานด้วยอํานาจศีล้วยอาํานาจภาวนาแต่ให้แม่แม่อยู่ที่ไหนคอยแม่พ้นจากทุกข์นะถ้ามีความทุกข์อยพ้นจากทุกข์ถ้ามีความทุกขก์ก็กสุขยิ่งขึ้นไปแม่เป็นว่าเวลาอยู่ในนโลกในโลกกาลแตนโลกนั้นกแ็แฉบุญของลูกถึงถึงแบบไหน ถึงท่ทานพัญญายมเป็นผู้อ่านไปอ่านเรื่องนี้แหละว่านี่เนะี่ยวิญญาณชื่อนั้นชื่อนี้นะคนชื่อนั้นชื่อนี้ได้อุทิศบุญส่วนกุศลมาให้เป็นแม่หรือเป็นญาตินี่แหละที่หลวงปู่พูดว่าจะรู้กันด้วย ก, อ ง, กองบนกองกุศลไปถึงนโลกันตะนรกนะคือนรกมืดที่แม่ของหลวงปู่จันดาตาวโลวัดที่พิจิตนั่นแหละ โอ้มันเป็นเรื่องที่อจใจรันนะเรื่องนีนะ้แต่ว่าพ่อกับแม่เราไม่ได้ไปตกนรกแล้วแต่ว่าก็บุพการ ก, ก็ถึงเก้าปีม็นมาเจอเรานี่ น, ะนันเราพิจารณาตัว น, นั้นแต่ก็ยังภูมิใจนะภูมิใจในหลักธรรมเหลวินัยที่เราได้ประพฤติปฏิบัติดีแล้วพ่อแม่จะยังอยู่หรือบัญชีไปก็ตามขออำนาจบุญทั้งหมดที่ทเรามีอยู่บุญทั้งหมดเลยนะเรานี่ เพรานาจบุญทั้งหมดที่เรามีอยู่อํานาจบรรพจาก็ตามอํานาจทานอํานาจศีลอำนาจภาว น, น า, นน า, นาเราไม่เหลือไว้เราให้พ่อให้แม่หมดขนาดนั้นนะลุงปู๋นนะถ้าพร่อกับแม่เสียก็ตามหรือมีทิพย์อยู่ก็ตามพึ่งรับกระแสห่งบุญของลูกตั้งแต่ น, น้นตั้งแต่ออกนีออกมาบรรออกมบรรพจามาอู้ไม่ใช่ธรรมดานะเราให้หมดเลยเราไม่เอาไว้เอาไว้เลยนะ่ะเรื่องบุญเรื่งกุศลที่ให้พ่อกับแม่แต่ลงุงปุจันทานก็ยังหลงเหลือไว้กึ่งหนึ่งนี้แล้ววิเราจะจ่าดูที่ คียประวัติของเพื่อนนะเพื่อนไม่ให้หมดนะเพื่อ น, นุทิศให้เฉพาะจะตั้งหลายหรือให้แม่กึ่งหนึ่งเพื่อนเก็บไว้กึ่งหนึ่งแต่นั้นผูไม่เก็บลุงผมไม่คิดที่จะเอาความบุญความกุศลไปเมืองพญิพา่นั่นเราไปางั้นสาติาัวจะไว้หนึ่งสูงสุดซึ่งครูซึ่งบาก็เป็นแบบอย่างให้เราได้บุคลปฏิบัติตามนั้นเพราะเราต้องอาศัยบุญส่วนนั้นก็เหมือนกับพ่อยหญ่กี่น่นะถูกต้องเราก็ไม่ได้ว่า ย, ยกไว้หนึ่งหัวสูงสุด พ อ, อกีตไม่เอาอะไรเลยไม่เอาก็ไปอยู่ในภพภูมิที่เป็นจิตตวิญญาณก็ต้องตกแ ล, กล้วกรรมลบากก็ไม่มีตัว น, นั่นแต่เรื่องบุไม่คิดที่จะอยู่ในภพของวิญญาณแล้วไม่อยู่ในภพของกายทพิพหรือไม่ต้องการอยู่ในภพของพวกไหนอีกเราจึงทิ้งบุญทั้งหมดเราไม่คิดที่จะยึดมัน่นถือมัน่นติดอยู่ในความบุญกองกุศล น, นี่แต่ลูกๆเราก็ต้องทำไม่แน่ใจไม่ตาใจว่าตัวเองเก็บคนลกูกคนสงสารก็ต้องเอาตัวนี้ หลวงปู่จันตาพูดนะก็ไม่ผิดสาธุนั่นทิศบุญส่วนกุศลกึ่งหนึ่งให้กับญาติโกติกาของขึ้นแต่หลวงปู่ทั้งหมดเลยหลวงปู่จะเอาตัวนั้นพาพวกเราเอาตัวนั้นเอาตัวไหนเอาตัวตัวสาธุขออนุทนาบุญด้วยเอาตัวนั้นบุญมีทั้งหมดให้ด้วยใจเพราะถ้ามันเหลือกึ่งหนึ่งใจมันจะไม่บริสุทธิ์นี่มันจะมีลึกถึงขั้วแห่งใจแห่งจิตแห่งใจ เวลาแผ่เมตตาถ้าให้หมดแล้วก็ขอสาธุด้วยบุญเกิดขึ้นจากอ น, นุโมทนาสาธุการตัวนั้นมันจริงนั้นมันถึงจิถึงจิต ถ, ถ, ถ, ถึงใจเลยนะมันเข้าไปในขั้วโมจิตัวใจเลยตัวนั้นแต่ว่าถ้าจะลงแล้วไปขึ้นหนึ่งมันก็ตันทีทีเหนียวอยู่นั่นมันไม่สุดๆในการทาณบา ร, รมีตัวนี้ไม่เกิดคือการแป่บุญแป่บุญส่นมันไม่เข้าด้านถึงสู่จิตสู่ใจที่เป็นขั้วลึก สุดหัวจิตหัวใจท่าเรียกว่าสุดหัวจิตหัวใจตอนนั้นมันไม่ถึงเนี่นี่พูดให้ฟังก็ยกให้นิหัวสูงสุดนะก็เป็นแบบอย่างใ้พวกเราได้ไปคปฏิบัติหรือได้ใช้สติใช้ปัญญาพิจิณาดูว่าทําไมองค์ลวงปู่จันทาถึงทำแบบนั้นแล้วก็น้อมมาที่หลวงพว่อตะกี่ที่เป็นวิญญาณมันอยู่กับพวกเรานั่นแหละเพื่อนก็ไม่เอาบุญผมไม่เอาบุญเลยนะผมทําอยู่ทุกวันนี้ผมไม่เอาบุญแม้แต่เล็กแต่น้อยนะผมจะเอาให้กับผู้ที่ผมฆ่าเพื่อน อืมเห็นไหมล่ะอิน ญ, ญาณดวงนี้อยู่ที่ไหนก็าตามก็เอาเพื่อนจะไม่เอาเลยไม่รับบุญไม่รับแต่เวลาเกิดแล้วแกก็ต้องใช้รู้ ก, ก็ตามไม่รู้ก็ตามบุญก็คือบุญบาปก็คือบาแต่เวลาอยู่ในโลกของจิตแต่วิญกาณพอเจตานานแล้วก็ต้องรับเชื้อตัวนั้นอยู่พักหนึ่งแต่เมื่อคู้้กรรมหมายถึงกรรมตัวนี้หนักหมายถึงบุญกุศลมันหนักกว่าบาปกุศน์เธอาจะหลีกหนีไม่ได้ไม่ต้องการก็าตามบาปกุศลจะมาก สมมติว่าบาปอกุศลมากเือไม่ต้องการก็ตามเขาลูกกรรมกรรมหนักทางด้านที่ไม่ดีเธอก็ต้องรับเชื่อตัวนั้นกรรมหนักทางด้านดีเธอก็รับเชื่อนั้นนี่หลวงปู่ก็เลยว่ามันไม่สุดตัวนั้นก็ก็แต่ก็พูดให้ฟังอยู่ถ้าเรายังไม่สุดนจิตหัวใจยังเป็นกลางกางก็เอาแบบปฏิปทาขององค์หลวงปู่จันตาไปใช้ก็สาธุก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ส้าเราหลวงปูป่พาพวกเราไปพิสูฏิบัติไม่เอางั้นเอาสุดนจิตหัวใจเลยเอาให้หมด นึนกว่าไม่เคยเอาไว้ให้บุญนี่แม้แต่รู้ที่ลู้ทัมาแล้วก็ให้ใหเอาหมดนี่นี่เพราะจิตธรมีญาณมาเอาชีวิตแรกกี่ด้วยซ้ํานั่นผู้หญิงคนนั้นผู้ชายคนนั้นก็นนาสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้เผื่อเป็นอเดี่ยวเป็นแรงในพุทธศาสนาเป็นผูน้ที่าสามารถจะมีพุทธศาสนาอย่างรุ่งเรืองเอาชีวิตแล้วชีวิตหนึ่งแล้วก็ถือว่ามันเป็นปกติเราไปนั่นน่ะ นล่เราพูดรูปสิทุก้าฟังสําหรับอุปนิสัยวาจาหนาบริมีแต่ละรูปแต่ลงที่สร้างมาไม่เหมือนกันเขาพูดไม่เอาบุญไม่เอาไม่ไม่เอาบาปเลยจะเอาไว้ทําะไรจะเอาไว้แล้วจะไปยึดมั่นถือมันในบุญในกุศลอะไรก็ไม่เอาอะไรอยู่แล้วปัจจุบันก็ไม่เอาอะไรอยู่แล้วไม่ได้ไม่ต้องการลาจากขลัไม่ต้องการคนเสนอเสื่อเยือนยอกก็ไม่ได้อาบุญปัจจุบันอีกแล้วแต่ความพึงพอใจของศาสตร์โลกนั่นก็ลงตรงนั้นแล้วจะเอาอะไรก็ไม่เอาอะไรทั้งสิ้นไม่เอาอะไรทั้งสิ้นแล้วก็จะไปยึดบุญ ยึดบาปไปว่าทํา ไ, ไ, ไมบุญกุศลมีเท่าไหร่ก็ให้หมดให้หมดให้โลกให้สงสารได้วความเมตตาขอให้โลกให้สงสารนั้นอย่าอย่าทะเลาะเบาะแวงกันให้ปองรังเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อใครก็กเพื่อตัวเองนั่นมันก็ไปนั่นมันจะไม่มีอย่างอื่นนะเพราะความเมตตา ม, มันมากมันครอบหมดมัเอาเขาเรียกว่าแต่จะพูดถึงตามหลักธรรมในวินัยต้องเรียกว่าเมตตาขั้นปรมัจิตไม่มีการเจ็บกองบนวองกุศลไว้เลยที่เรื่องปู่ป้าพวกเราทํา เป็นเมตตาขั้นบัลลัแต่ถ้าจะเอากองบุญกองสวนไว้กึ่งหนึ่งเหมือนองค์พ่อหลวงปู่จันตาถาวโรจกไปในขั้สูงสุดนั้นนั่นมันไม่ถึงขั้นบัลลังก์ก็ให้ลูกเพิเข้าใจนะมนต้องก็กลัวอยู่กลัวตัวกรรมลําบากกลัวตัวนั้นแต่หลวงปู่ไม่เอาชีวิตแรกเรื่องการทานอับัลลันี่ตัวนี้มันเป็นเขาเรียกว่าความบริสุทธิ์แห่งใจ ใจตัวนั้นมันจะสว่างสวัยเหมือนกับไม่เป็นไม่มีพิษไม่มีภัยก้าใครนี่แหละเวลาให้ก็ให้ด้วยความสว่างสวัยด้วยใจบริสุทธิ์นั่นนั่นก็ยังลุงปู่อยู่กับพวกเราเวลาลุงปู่ด่าพวกเราลุงกบางดีเห็นน้าตาลุงปู่นั่นน่นะเพราเราสอนลูกด้วยความเมตตาแต่ว่าทำไมลูกทั้งสองเราบอกเองกันก็รู้ว่าจะตายกันทุกคนแล้วทำไมจึงเอาเปรตเอาผีก็ไปทิ้งในใจิตในใจอยู่เราบ้าง ล, ละ เปรตละผีไม่ใช่เลยมันละบาปมันเป็นบุนไม่ใช่เลยนี่เนี่ยที่พวกเราเห็นหู่ที่คลองเบติด่าพวกเราบางครั้งบางกาถ้าลูกมองหน้าหลวงู่จะเห็นนี่เนี่ยเรียกว่าความเมตตาถึงขั้นบัลลังกันอยู่อย่างนี้เพราะมันจิตใจบริสุทธิ์มันปึ๊บออกมาน่ฮือออกมาจากภายในของมันมันไม่อยู่ภายในนะขันเรื่องทั้งส่วนขันนี้ใจต่นนั้นมันบริสุทธิ์แล้วมันสว่างมันอยู่แค่ ให้อะไรก็ให้ถึงจิตถึงใจถึงด้วความบริสุทธิ์นั่นสอนก็สอนถึงจิตถึงใจด้วยใจบริสุทธิ์นั่นมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้เกี่ยวกับการภายนอกใครจะว่าใครอะไรก็ตามก็ยุ่อย่างนั้นไปไหนมาไหนมันก็เออไปด้วยใจทั้งบริสุทธิ์นั่นไม่ได้เกี่ยวกับกิริยานั่นใครจะว่ากิริยาภายนอกเป็นไปไม่สมควรแล้วแต่ใครจะพูดมันสมควรแล้วสมเหตุสมผลเพราะไม่เอาอะไรแล้วถึงบุญแล้วปะนั่น เพียรพยายามละบุญละบาไม่ได้เพียนพยายามเพื่อละบาปมันเป็นบุญอีกแล้วมันถึงขั้นนั้นแล้วถึงขั้นที่แตละหมดทั้งบุญและบาปไม่เอาแล้วไม่มีเหลือไม่มีเชื่อเหลือเพราะไม่ต้องการเอาบุญเอากุศลไปไหนก็บอกว่าบุญปัจจุบันต้องอาศัยบญุญปัจจุบันในการอยู่แล้วแต่เพ่อรรเชื่อกำจะผลทั้งกรรมแล้วไม่สนใจกับบุญหรือบาปที่จะเกิดนั่นกรรมที่สร้างมาตั้งแต่ในอดีตพราะเชื่อแล้วไงสร้างมาแบบไหนก็พึ่งละแบบนั้นบุญก็สร้างอยู่ทุกวันบาปไม่สร้างแล้ว แต่ก็ไม่รับเอาทั้งบุญได้บาปสร้างเพื่อเป็นแบบอย่างที่ให้ลูกศิษย์ลูกกัให้โลกให้จงใจได้ทราบไม่รู้ได้เห็นที่องคลุงปู่กู่ไดเรียเราไม่ได้ทำเพื่อเราเราทาเพื่อชาติโลกในแต่โลกกระฐานเราทำเพื่อพุทธศาสนาที่จะเดินลุ่งเดืองทําทุกวันเพระเราไม่เอาบุญและไม่เอาบาปก็ใครนี่มันจึงเป็นไปได้นะไอ้ขั้นปรัมปราของพวกเราก็ไม่เกิดอันนี้พูดถึงการให้บุญให้กุศลที่องค์ลุงปู่ยันตา ที่เพื่นบอกว่าบุญกึ่งหนึ่งให้กับจับพระจัทั้งหลายอีกกึ่งหนึ่งเก็บไว้นี่เรามาพิจารณาดูโอ้กับอุ ป, ปนิสัยวาสนาบา ร, รมีของครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละองค์ไม่เหมือนกันในนั้ น, นความเมตาตาหลวงปู่ยังมีมากพวกกายที่เห็นกระแสบุญไม่ได้เพราะมันกระแสเมตตาถึงขั้นต่อรมัสพวกจิตตมีญาณเห็นกระแสบุญกระแสเมตตาไม่ได้ตามทำไมาจึงตามแต่องหลวงปู่ในพิจารณาเอาเท่านั้น แล้วองค์อื่นทำไมจึงต้องไม่ติดตามอะไรมากมายขนาดนั้นก็ติดตามอยู่แต่ก็พอประมาณแต่เราทำไมจึง ส, สุดขนาดนั้นก็เพราะมันถึงขั้นปรามาสความเมตตาถึงขั้นปรามาสนี่เขามาอยู่ด้วยก็ไม่มีความระแวงสงใจว่าเขาจะเป็นนวนเป็นนี่ไม่เข้ามาอยู่ด้วยอยู่ในตามอยู่ในวินัยก็คือปฏิบัติคุณงามความดแีแล้วก็สบายใจก็แค่นั้นไม่คิดระแวงสงใจว่าเขาจะเป็นนั่นเป็นนี่เพราะเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมพอเก็ทําดีเขาก็ได้รับคุณงามความดีตอบสนองก็คำ ทำชื่วก็ได้ความเชื่อตอบสนองเราลงตรงนั้นเออกรรมที่เราเคยฆ่าเขาตั้งแต่ในอดีตทาลายล้างโพตเผาพันแล้วก็เอาแล้วก็ให้ด้วยความเมตตานี่ก็เรียกว่าถึงขั้นบ ร, รมาถึงขั้นบริสุทธิ์แห่งกิจแห่งใจล้วนที่เผย อ, อยู่ภายในมันขนาดนั้นนะลูกเต่าไม่ใช่ว่าจะเอาความจอมปลอมมาสั่งสอนโลกเอาความปลอมมาสั่งสอนสอนโลกมันก็ไม่เป็นอย่างไงก็ไม่เป็นสแสดงไปไหนก็ได้แค่สแสดงแผลมันไม่เกิดน่ แสดงก็ได้แค่แสดงแสดง แ, แสดงแล้วก็จบลงแต่จบลงแบบไหนก็ขึ้นอยู่ที่กรรมพวกเธอนั่นนี้เราไม่ได้แสด ง, ง <c oughs> นี่ไม่มีคําว่าแสดงอีกแล้วไม่มีคําว่าอยากเด่นอยากดังหรืออยากแสดงอีกแต่ก็เป็นไปเพื่อโลกเพื่อสงสารมันก็อยู่อย่างนั้นอยู่ทุกวันจะไปมาไหนอยังไรก็ตามก็ไปเป็นไปเพื่อโลกเพื่อสงสารไม่ได้เป็นไปเพื่อการแสดงพรอมายาไม่มีไม่ไมจําเป็นต้องแสดงอีกนั่นก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเป็นโดยธรรมชาติ เป็นโดยธรรมดาของการที่ได้สานมานี่ก็เรียกว่าการทรงผลไม่มีเชื้อแห่งบุญแห่งบาป ท, ที่จะกัดเก็บไปว่าข้าพเจ้าจะให้คนนั้นคนนี้แล้วก็เก็บปากเพรไม่มีแต่พ่อแม่ครูเพิ่นทําอย่างนั้นก็เพื่อต้องการแบบอย่างให้พวกเราแล้วก็ยกมามันก็บพ่อะหญ่กี ท, ที่พูดให้ฟังพ่อะหญ่กีไม่รับเวลาไปอยู่ในโลกนั้นเพิ่นก็เป็นอย่างนั้นมันถ้าจะพูดถึงมันก็ใช่เพราะมันยังไม่ถึงใจแต่ถ้าถึงใจแล้วยังไงก็ได้รับเท่ากับ สาตุขะเพิ่นสาตุจนเขาเรียกว่าเกิดปีติีขนพ ง, งกระยองเกับน้ําตาไหลนุ่นขอให้เธอได้ดีได้ดีเราได้กล้าเถือเราได้ประทุษลายเถือเราได้ทำเธอมาหลายภพหลายชาติขอให้มันยุติในชาตินี้นะใจตอนนั้นมันจะลงที่ใจมันจะปึ๊บลงที่ใจเท่านั้นมันจุดลงที่ใจมันไม่ได้ค้างที่ตรงกลางๆลางถ้าเราแบบเมตตาค้างตรงกลางๆมันก็ไม่มีเชือ้อมีแต่คําสวด ในตำหนักตำลานพอจำได้สวดแผ่เมตตานี่ยอาจารย์สวด ต, ตั้งแต่ค่ำจนถึงเชา้ามันก็ไม่ไปเพราะมันไม่ลงที่ใจตรงนั้นน่ะแต่ให้ลงที่ใจแล้วไม่จำเป็นขณะจิตเดียวเท่านั้นเนี่ยวืบเข้ามาสุดลงหัวใจที่บริสุทธิน์นั่นนั่นแหละถึงขั่วสุดแห่งจิตแห่งใจขั้วหัวจิตหัวใจมันอยู่นั่นนี่เราจะสวดยังไงมันก็เท่าเก่ามันสวดป้ามันก็เหมือนกับเพียงแต่คำพูดแต่ปาก แต่ใจมันไม่ไปด้วยเพราะมันเป็นกึ่งๆกลางๆอยู่ภายในมันมีความเชื่อความเ่ิมใสจนถึงร้อยเปอร์เซ็นไหมันก็ไม่มีความเชื่อความเ่ิมใสประสวดมนต์สวดพรตุยวันนี้ก็เผื่อต้องการที่จะได้บางสิ่งบางอย่างถ้าไม่ได้แล้วก็เกิดในความรู้สึกค้านภายในจินในใจขึ้นมาก็สร้างบาปบาปมาเพิ่มอันนี้หลวงปู่ไม่สนใจมันพวกเราไว้เราจะสวดก็เต็มเมตเต็มหน่อยทางด้านใจที่มีความบริสุทธิ์อยู่ทางด้านนั้น ไม่ได้หวังอะไรต่อกันแม้แต่ไม่เห็นไม่ใส่ให้โดยไม่มีข้อแม้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ให้อย่างเดียวนั่นนหละท่เรียวกว่าถึงขั้นปรรมมัตเรื่องพวจะไม่เหมือนหมู่ไงครูเต้าไม่เหมือนหมู่ไม่เหมือนหมู่ทุกอย่างด้วยวุฒิภาวะชนาบริวติที่สัง่งกมมไม่เหมือนหมู่เพราะมันถึงขั้นปรมมัตถึงขั้นปรมมัตมากนะหลายอย่างครูบาอาจารย์ผู้ที่ชื่อนารจวะส่วนมากท่านจะไม่ถึงขั้นปรมมัต ท่านจะอยู่ธรรมดาธรรมดาองค์ท่านในการช่างคุณงามความดีมาตั้งแต่ในอดีตแต่ถึงขั้นปรมัาสก็เป็นอันหนึ่งอันใดหรือไม่ถึงขั้นปรมัาสก็สามารถที่จะถึงมากกวันพนิพพานได้เพราะจิตจะมาทิปัญญาสร้างสมภูมิเต็มบริบูรณ์แล้วตามอ ส, สงไขยนั้นๆไม่ถึงขั้นปรมาสกท่านจึงใช้คาว่าสุขวิปัสสโกหรือปัญญาบิมุตตัวนั้นแต่ถึงขั้นปรมาสก ถึงขั้นปรมัตดมันก็ อ, อกแก่แบ่งแย ก, กออกมาเป็นคนหลายอย่างอ น, นี่ของหลวงปู่มันหลายอย่างมันก็เลยออกมาลักษณะนี้ไม่เหมือนหมูนะี่ยอะมาที่ไหนก็หมูรับไม่ได้ครูบาอาจารย์รับไม่ได้ไม่เคยพบไม่เคยเห็นก็นั่นแหละถ้าเพื่อนมีธรรมครองใจเนี่ยมันสุดในหัวจิตหัวใจของเพื่นเพื่นไม่สงสัยหลวงปู่นะว่าอ๋อบารมีที่สร้างมาถึงขั้นปรมัตดนี้มันจะอลังกาขนาดนี้นะไม่เหมือนผู้ที่สร้างบารมีธรรมดานี้ นี่เพิ่นจะเข้าใจตรงนั้นแต่ถ้าพุที่ไม่ถึงตัวนั้นก็มันก็พูดยากย่างนั้นเราจึงอยู่ของเราอย่างสบายๆเราไม่ลนใจใจดีเข้าไปไม่ทําบุญเพื่อกเก็บกั บ, บุญไว้และไม่คิดที่จะสร้างบาปอกุศลนี้ทําบุญอย่างเดียวเพื่อเป็นแบบอย่า ง, งให้โลกผู้ทรงารัทธาได้ไตปิบันนติตามนั้นน่เอาชีวิตแรกเอาชีวิตแรกเพื่อลโลกผู้ทรงศราไม่ได้เพื่อตัวเองทำทุก ว, วันนี้ก็แรกเอาชีวิตแรกชีวิตแรกเพื่อลโลกผู้ทรงศรัไม่ใช่เพื่อตัวเองนี่ ยิงจะสามารถนำพาสาัตว์โลกในใจโลกกธาตุนั้นพอที่จะมีสติมีปัญญาได้ไม่งั้นเขาก็ไม่มีสติมีปัญญานะเพราะเราไม่เอาจีวิตออกแร้มันเป็นกึ่งๆ ก, กลางๆอยู่เขาก็ไม่สุดที่จะกราบที่จะไหวกําลังแห่งการทำก็ไม่ทะลุปไปในใจโลกกธาตุโลกกัธาตุก็ไม่หวั่นไหวเมื่อถึงที่สุดแห่งธรรมหรือโลกกธาตุไม่หวั่นไหวเมื่อเดินไปนู่นเดินไปนี่หรือเดินทางจงกรม มือลงทางจงกรมแ ล, ล้วโลกกระทกจะหวั่นไหวนั่งภาวนาโลกกระทกจวั่นไหวเพราะมันถึงที่สุดมันนะมันสร้างบารมีมาถึงขั้นปรมัดหลายอย่างมันจะเป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าต้องสร้างหมดบารมีสาสิบทัศน์นี่ต้องสร้างหมดถึงขั้นปรมัดหมดเลยสร้างบารมีสิบนั่นแหละเรียกว่าสาสิบทัศน์บารมีสิบอย่างที่สร้างมันขั้นปรมัตดหมดจึงเรียกว่าสาสิบทัศน์ไอ้ผู้ที่สร้างเป็ น, นอุบาจกปฏิการหรือเป็น พุทธามกะผู้ที่หวังอาจหวังทำหวังชิ้นลัศภะไม่ได้จำเป็นนานโคเวียนไหวตายเกิดบางทีก็เอาถึงธรรมดาธรรมดาไม่ถึงขั้นกลางก็ไม่เอานะถึงขั้นธรรมดาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสร้างบุญสร้างกุศลค่อยเป็นค่อยไปไปเลยก็นานเข้านานเข้ามันก็เต็มเม็ดเต็นื้อก็ผัวก็ไปเมืองวันนี้พารก็ไปเท่าเก่ามันเพราะเราไม่จะวิสัยของพุทธเจ้านี่วิสัยของพุทธเจ้าต้องสร้างหมดนั่นสามสิบพา์นี่ขั้นปรามัดหมดเลย สงสาวกมีขั้นนี่แหละมีขั้นธรรมดาและก็ขั้นกลางกันทานบารมีก็ธรรมดาและอุปมาในอุปปาก็ธรรมดาตัวนั้นตรงกลางๆนั่นแต่ว่าถ้าจะเป็นสงสาวกผู้ที่สร้างมาเหมือนหลวงปู่มันมีขั้นปรมาต์เพิ่มอิโมขาลาก็ถึงขั้นปรมาต์เพิ่มเจ้าในบุตรก็ถึงขั้นปรมาต์ที่จริงสามารถที่จะเป็นอริยาสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาได้ ถึงขั้นของกลุ่มในสมัยพุทธกาลนั่นนะถึงขั้นปามารมัตดนี่พระอนุชาเทล่าพระอานนท์พุทธานุชาถ้าไม่สร้างก็ไม่สามารถอยู่ในลักษณะนั้นได้ไม่สามารถคบกับพุทธเจ้าได้บราบ ร, าบรามีสิบอย่างจะสร้างขั้นปรมัติเพียงหนึ่งหรือสองนี่เออพอพอแล้วพอแล้วถึงขั้นถึงขั้นที่จะสามารถที่จะถึงจุด ที่ตัวเองได้ปาฏิาริย์สมภูมิจริงๆนั่นอย่างนั้นก็ไม่ถึงนะอย่างนัเร า, าสร้างธรรมดาก็ปาฏิาริย์พุทธิพานมันก็ได้อยู่แต่มันา น, นานนานนกโหในการเวีนว่ยตายเกิดนี่แต่หลวงปู่มไม่ยอมแล้วโอ้อแต่ไม่ถึงขั้นปณิมภ์นี่เราไม่เอา น, ะนี่เราเป็นคนนิสัยที่เขาบอกว่ามีความจากความจริงแต่ทำอะไรมันก็มีความจากความจริงมันก็เลิกขั้นนั้นมาออืถ้าทําธรรมดาๆมันไม่ลงใจนเนี่ยทำนี้พวกมันไม่ลงใจนะ ทำไดเล่นหูหัวยังไม่ลงใจวิธีทำไปทํำไมเพราตั้งใจทําแล้วก็ตั้งใจทําให้อย่างสุดๆไปเลยนั่นจะทําอะไรก็ทํามันสุดๆนั่นมันจึงจะสามารถที่จะเก็บกรรมกองบุญกองกองุศลได้สุดๆเฉกเช่นเดียวกันอย่งั้นก็นานเด็กก็ล่วงด้วยชาตินี้ก็ล่วงไปอา้าวชาติใหม่ก็เก็บไหมอยู่างั้นบาปกรบุนก็ะนคู่กันมาอีกนั่นหน้าที่จะมี ถึงขั้นปรมัดเอาบุญตัวนั้นเหยียบกาไปเหยียบก็ไปกลับมีบาปกุศลแทนเข้ามาอีกอยู่งั้นนนี่แต่พอโมกขันลานี่ขณะถึงขั้นปรมัตดนี่เลยไปนั้นนะเลยก่อนที่ท่านจะประมัตดท่านก็ยังได้ทําลายทํำลายบิดาและมารดาขององค์ท่านท่านเลยรับเชื้อแห่งกรรนั้นนี่พูดถึงก่อนที่ท่านจะสร้างกุลมีตัวนั้นถึงขั้นปรมัตดนะในการเวียนว่ายตายเกิดมาแต่ถึงขั้นปรมัตดแล้วยังไม่มีเชื้อตัวนั้น เพรตัวนั้นมันจะเอาจุดสุดตรงนั้นว่ากันเลยเนี่ยเอาสุดจุดตรงนั้นว่าเลยมันจะไม่ได้ทําอนันตริยกรรมเพราะถูกต้องอยู่ผู้ที่ยังไม่ถึงอายบุคคลชั้นต้นมันก็ยากมากที่จะผ่านอนันตริยกรรมห้าอย่าะเจตนาเจตน า, ต น, าต น, นั้นก็มีผลเจตนาตัวนั้นก็มีผลเพราะเวลาที่ตั้งคิดตั้งใจประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีแล้วก็ขอสุขติภูมิ ไม่กลับมาวุ่นวายกายกองในโลกมนุษย์มากมายนะไม่ต้องมาทำปานาธิบายฆ่าพ่อค่าแม่อีกมันก็มีตัว น, นั้นอ่ะพอเจตนาตัว น, นั้นยังอยู่มันก็ส่งผลอยู่แต่เจตนาตัว น, นั้นไม่ได้ส่งผลก็ไม่รู้จะทำทำไ ม, ไมเห็นไหมนะ่ะที่ดังที่พูดในฟระเวลาที่พระนางอุบลวันนานีเพิ่นสร้างบา ร, รมีในสมัยนั้นในสมัยเป็นลูกราชามหากษัตย์ เพื่อนก็ขึ้นไปท่องเที่ยวในเทวโลกแล้วก็กลับมาในมนุษย์โลกไม่ได้มาทำอนันติยกรรมอีกกลับขึ้นไปกลับขึ้นมาอยู่ในสุคติภูมิดูที่เพื่อนเกิดแล้วมาชาตินี้ที่ชาติสุดท้ายของพนางพนางบนวันน้ ก็ได้เจตนาตั้งแต่นู้นตั้งแต่หลายพบหลายชาติมาต่อหน้าต่อพระพักของพระเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์มานี่แหละก็อาศัยเชื่อตัวนั้นแหละเชื่อตัวนั้นการทําอนันติยกรรมห้าก็จึงไม่เกิดถ้าไม่มีเชื่อตัวนั้นมันก็เกิดแต่ดูพระมคคัลลาพระมคคัลลาเปิ้นได้ทําเชื่อตัวนี้ก่อนนั้นไงเชื่อตัวนี้ก่อนนั้นก่อนเจตนาก่อนเจตนาธรรมดายังไม่ถึงท่านปรมัจิตมันก็มีเชื่อตัวนั้นติด แต่ถึงขั้นปราติแล้วเจตนาสุดๆแล้วไม่มีทางนเพราะเอาตัวนั้นว่ากัเลยเอาใจวัดตัวนั้นเลยเจตนาสุดๆจะไม่สร้างตัวนี้ขึ้นมาอีกไม่สร้างอนันตริยกรรมห้าขึ้นมาก็เหมือนเราทำบุญทุกวันนี้พระอาจารย์สอนอย่างสุดๆแล้วก็ตรงสุดในหัวจิตหัวใจเราด้วยไม่งั้นการเวียนว่ายตายุดของพวกเราจะต้องไปทำอนันตริยกรรมห้าสุดๆหมายถึงเชื่อหลกักธรรมหลักวินัย เชื่อว่าหลวงปู่หลวงตากรบอาจารย์ที่เราที่เราประพฤปฏิบัติกับองค์ท่านนั้นเออท่านพาประพฤปฏิบัติถูกต้องตามธรรตามบน ต, ตามวินัยที่สุดเราจะโซโซเป็นโสตากับทำกับวินัยนั่นสุดๆเป็นยังไงก็ตามเราจะเอย่าเปดเอย่าผีในจิตในใจไม่ให้มันออกมาพิน้นพลานในการตะลับบ่แว่งคนค น, นั้นคนนี้หรือทําให้ตัวเองหม่นหมองหรือคนอื่นหม่นหมองทําให้หมู่ทำให้คณะต้องเดือดร้อนจะไม่ให้มีจะไม่ให้มานั่น แต่ถ้าให้มันมีให้มันมาอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดของพวกถือก็ต้องมีอนันตริยกรรมให้ให้ลูกๆเข้าใจนะขั้นปรมาณมขั้นเหยียบพวกนี้ไม่มีทางไม่มีความปว่วยความโลคความหลงที่จะไปเชื่อใครไปฆ่าพ่อฆ่าแม่อีกเพราะอยู่ในไตสานะคมถึงจะไม่บรรลุโสดาบันแต่อยู่ในไตสานะคมอยู่แยกกันนะโสดาบันอีกอย่างนะไตสานะคมเถือยังไม่บรรลุโสดาบันก็แบบอย่างนะ นี่พวกนี้จะให้หลงโลกหลงทางอย่าเป็นไปได้ยังไงละนี่เราเอาจุดนั้นว่านะเอาจุดนั้นว่าเลยนะเอ๋ว่าจะปล่อยให้พวกความโกรธความโลภความหลงออกมาเพ่นพ่านลูกเต้าพวกพิปฏิบัตธรรมก็ต้องทําอนันตริยกรรมห้าไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งนี่แราหลวงปู่จริ้งเกนพวกเรานั่นะมันอยากให้เราบ่แบ่งกันไม่อยากให้มีตัวนี้ออกมาไม่งั้นลูกต้องตกนรกอยู่ตราบใดที่มีเปรตมีผีออกมาเป็นพ่าน ลูกเต่าปฏิบัติธรรมกี่ล้านปีก็ตามลูกเต้าก็ต้องทําอนันตริยกรรมห้าในชาติใดชาติหนึ่งขึ้นสวรรค์ได้กลับลงมาในโลกมนุษย์ความโกรธความโลภความหลงยังเป็นเชื้อออกมาเพ่นพ่านได้อยู่มันก็ส่งผลไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งให้ลูกๆเข้าใจนะแต่ถ้าเราบะพืชปฏิบัติ ด, ดังที่องค์หลวงปู่พูดให้ฟังเหยียบมันเชื่อเชื่อทำเชื่อวินัยเอาชีวิตแรกไม่ให้มันออกมาเพ่นพ่าน ยอมหกรธยอมทนยอมเป็นคนโง่ตัวนี้แหละจะเป็นตัวส่งผลไม่ไปทำอนันนี้อนนั้นที่กรรมให้ออกกายถวายชีวิตกับพุทธธรรมสงฆ์ถึงยังไม่บรรลุอรอยิยบุคคลเั้นต้นโสดาบันแต่เป็นผู้ถื้อใจรนคมไมิจะว่าถื้อใจธนกมมแล้วจะบรรลุโสดาบันนะครูมันไม่ใช่ธรรมดานะโสดาบันเพราอละสักกายทิฏฐิตัวนั้นยังไม่ลงยังไม่ลงเอ่ยกัน มันยังไม่หลงมันยังไม่สว่างในจิตในใจมันยังไม่ว่างออกจากตัว น, นั้นชั่วคู่ชั่วข่าวผู้ที่เป็นอริยบุคคลชั้นต้นโสดาบันถ้าจะเรียกตามภาคปฏิบัตินะลูกเต้าเอ้ยภาคปริยัติไม่มีหรอกผู้นั้นต้องเป็นสมยวิมุตโตจิตต้องหลุดพ้นชั่วคู่ชั่วข่าวในการทําลายล้างอัตวะล้าลายล้างกิเลสทําลายล้างกิเลส แล้วลูกเข้าใจนะจิตนั้นต้องว่างสว่างและหลุดพ้นจากพบจากชาติชั่วคู่ชั่วข่าวและศักยติทิในช่วงนั้นปุ๊บปั๊บนั่นแหละอริยบุคคลจันทน์โสดาบันนี่คือภาคปฏิบัติภาคปฏิยัดยาวมานะก็เพียงแต่พูดทำสงเท่านั้นแหละอยอหมอกกายแต่ว่าชีวิตกับพุทธเจ้าเท่านั้นแหละก็คือโสดาบันอย่างลูกแต่เป็นทางของโสดาบันถูกต้องเป็นทาง ทางที่จะเดินทางเข้าสู่อริยบุคคลชั้นตนโสดาบันถูกต้องเพราะเอาไตรสนณคมเป็นที่ระลึกเป็นที่พึ่งเป็นที่ฝากเป็นฝากตายลูปแต่ยังนะต้องปฏิบัติไปปฏิบัติปฏิบัติไปจิตจะเข้าสู่กระแสธรรมปุ๊บปั๊บว่างทำลายอาสวะชั่วคู่ชั่วข่าวเรียกว่าสมยวิมุตโตอลูกๆเข้าใจหนึ่งนีได้ยินใน้ฟังที่ไหนหรอได้ยินใน้ฟังแต่กับปากหลวงปู่นี่เลยไมีนาทีเคลอย่างนี้อย่อให้ลูกแม่เตาได้ ใช่เพราะไร้ความเมตตาท่างโลกนั่นหมอกูบาอาจารย์ยไม่ก็เท็จเพราะเพือพ่อนกลัวว่าจะเป็นสัญญาจําได้ไหมรู้แล้วเอาไปปรุงเอาไปแต่งอันนี้ไม่นะเอ้ในเราฟังเพื่อเสริมสร้างสติกำลังปัญญาเท่านั้นฟังฟังและเสริมสร้างสติปัญญาไม่ได้ฟังแล้วเอาไปปรุงเอาไปแต่งเอาเป็นสัญญาตัวนั้นมาคิดว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่ไหมฟังเพื่อเสริมสร้างสติปัญญาของตัวเองว่า ผู้ที่บรรลุอริยบุคคลจัน้นโสดาบันไม่ใช่ของยากและก็ไม่ใช่ของง่ายนั่นต้งโสเป็นโสตายโน่นถึงขั้นปรามัดเช่นก่อนจึงจะบรรลุโสดาบันได้ถ้าไม่โสเป็นโสตายยากลูกที่จะบรรลุโสดาบันพอพูดกันได้พูดกันได้ก็แน่ก็ได้แต่มันไม่สามารถไปถึงได้เพราะผู้ที่รู้อยู่นี่ผู้ที่รู้อยู่นี่ผู้ที่จิ้นสงใจแล้วนี่ไม่มีใครที่จะสามารที่จะ โหกหหลอกลวงองค์ท่านได้ในมักในปฏิปทาที่จะเดินทางเข้าสู่เมืองพุทธิปานไหนอะไรก็คุบานอาจารย์สมัยพุทธกาลแล้วใครโกหกหลอกลวงองค์ท่านได้ไมื่อเดียพยามารมาบอกว่าพระพุทธเจ้าเทศผิดนะเราคือตถาคตนะมานปลอมร่างแปลงกายเป็นพระพุทธเจ้ามานะี่ทำที่เราตถาคตสแสดงผิดหน้า น, านั่นนั่นเราตถาคตไม่ได้สแสดงอย่างนั้นเราผิดไปแล้วเราจะมาบอกเธอไหม่นะทำเป็น อัตตานะมันมีตัวมีตนไม่ใช่นะัตตนั่นโสดเป็นโสตายลักชี้หน้าด่าเลยนะมึงไม่ใช่พุทธเจา้ามึงเป็นมารมึงไม่ต้องมาเจ๊แจ้งหลอกกูแล้วเห็นไหมล่ะขณะที่หน้ารูปร่างหน้าตาอะไรก็เหมือนพรุทธเจ้าหมดเห็นไหมล่ะโสดาบันโสตายขนาดนั้นถ้าเป็นพ่อเราก็คงได้กราบได้ไหว้ก็คงกราบนึกว่าพรุทธเจ้ามาโปรดนั่นนี่คือโสดาบันขอให้ลูกเข้าใจนะนั่นแหละขั้นปรมาตรล่งเต่า กัรนปรำมัิจึงจะสามารถนำพาจิตใจของตัวเองให้ออกจากความชั่วทั้งมวลในแต่ลูข้าท่าได้ไม่งั้นลูกก็แปลไม่ได้นะฮึ้งั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อความสุขของตัวเองตลอดนาตกาณบุตนาเรณัส า, าธู